ในติปกรณ์นี้ถือว่าเดินมาถึงตอนท้ายของรายการเนยนะงานเลี้ยงย่อมมีเลิกรานะเรียนพระธรรมก็มีจบเหมือนกันนะวันนี้ปิดคำพีแ น, น่ดูแลศาสนประธานศาสนประธานนั่นก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนตามจริตตามอัธยาศัยของมนลเวนยศาสตร์ทั้งหลาย พระองค์นั้นสอนทำตามความรู้สึกนึกคิดของสัตว์แต่ไม่ได้สอนเพื่อเอาใจสัตว์แต่สอนเพื่อจะช่วยสัตว์ให้ถึงความพ้นทุกข์เนี่ยนะไม่ได้สอนเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะประหล่ะเอาอกเอาใจในแง่เพื่อหวังอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่แต่เป็นการแสดงเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์เขาให้ถึงความพ้นทุกข์อันนี้คือพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตพสัตว์ทั้งหลาย ทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่พระกรุณาอย่างเดียวนะเพราะว่าการุณาอย่างเดียวไม่สามารถช่วยเหลือผู้ใดได้แท้จริงเพราะว่าคนที่กรุณาโดยที่ขาดปัญญาทําไปทำมาก็เบียดเบียนตนทําไปทำมาก็เบียดเบียนผู้อื่นแทนที่จะช่วยกลับสร้างปัญหาหนักกว่าเก่าแต่ที่สําคัญนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกต้องและเหมาะสมต้องเป็นการช่วยเหลือที่ประกอบด้วยปัญญา เมื่อช่วยแล้วไม่เบียดเบียนตนเมื่อทําไปแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนะการช่วยแบบนั้นจึงจะมีประโยชน์การสอนธรรมของพระพุทธเจ้า น, น, นะพระองค์พูดถึงประโยชน์อันสูงสุดเสร็จแล้วประโยชน์ทั้งหลายที่พระองค์พึงได้ประโยชน์เหล่านั้นสําเร็จเกิดมีแก่พระองค์ทุกประการนี่ภารกิจสุดท้ายของพระองค์ก็คือการช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์มูเวนยศาสทั้งหลาย ว่าทำเช่นไหนเขาจะถึงความพ้นทุกข์ได้ทนพระองค์ก็แสดงธรรมตามจริตอัธยาศัยของเขาเมื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีจริตมีอัธยาศัยมีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างหลากหลายกันไปพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแตกต่างและหลากหลายความแตกต่างและหลากหลายเหล่านี้คนที่ชอบนัยยะที่พิสดารชอบแบ่งประเภท จัดหมวดหมู่มีความใฝ่รู้อย่างกว้างขวางคนเหล่านี้เมื่อฟังแล้วชอบเนี่ยนะเพราะจะได้ที่ว่าชอบนี่หมายความว่าคนบางคนที่มีความรู้อะไรเกินหนึ่งขึ้นไปแล้วแล้วถูกใจคนพวกนี้ใฝ่ปัญญาคือไม่ชอบรู้อะไรแบบรู้หนึ่งเดียวรู้โดดโดดรู้เดี่ยวเดียวไม่ชอบแต่รู้ชอบแบบความรู้ที่เกิดการจำแนกเนี่ยนะเพราะเมื่อมีการจำแนกเท่าไหร่ปัญญาก็ขยายตัวเท่านั้น การฟังพระธรรมคำสอนก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราสามารถมีความเข้าใจสามารถจำแนกได้เท่าไรปัญญาของเราก็เจริญเติบโตขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะโดยเฉพา ะ, ะจำแนกพระธรรมคำสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนความเป็นจริงแล้วเราทั้งหลายไม่ต้องไปคอยจำแนกแจกแจงแจกแจงเองอะไรเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพันธญมีคาสอน ที่สมบูรณ์เนี่ยนะมีการจําแนกแจกแจงเรียกว่าคําสอนที่เกิดเพราะอนุภาพของปฏิสัมพิทาสีเมื่อคําสอนที่เกิดจากอนุภาพของปฏิสัมพิทาสีปฏิสัมพิทาก็คือปัญญาที่จําแนกแจกแจงประเภทอยู่แล้วนั้นพระองค์ก็สามารถเอาพระธรรมทั้งหลายมาจําแนกแจกแจงประเภทต่างๆพระธรรมเนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าธรรมที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกต่ําลงไปเนี่ยนะ ไม่ให้ตกต่ําทางจิตวิญญาณไม่ให้ตกต่ําลงไปในอบายภูมิเป็นต้นคําว่าธรรมธรรมะที่พระองค์สอนทั้งหมดก็สอนเพื่อไม่ให้หมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตกต่ำตกต่ำทางจิตวิญญาณไม่ให้ตกต่ําทางการคลุกคลีเกี่ยวข้องกับบุคคลตลอดจนถึงไม่ให้ตกต่ําไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกอันพระธรรมนั้นทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงแต่ประโยชน์ให้เข้าถึงแต่ความสุขเนี่ย น้ำพระธรรมเหล่านี้สรุปว่ามีความหลากหลายความหลากหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงตามที่ต่างๆนัยยะต่างๆที่เราเรียกว่า8ป0 0 0สพันพระธรรมขันธ์นั้นพระมหาการยนะท่านสา ม, มารถรวบรวมเรียบเรียงเอามาแบ่งหมวดแบ่งหมู่แบ่งลักษณะของพระธรรมเหล่านั้นได้นะด้วยอนุภาพของปัญญาที่ท่านสังสมมาท่านสั่งสมมาแสนกับเพื่อที่จะขยายธรรมะโดยย่อให้พิสดาร นคนที่จะขยายธรรมะโดยย่อและให้พิสดารได้นั้นท่านท่านต้องมององค์รวมมองภาพรวมออกทั้งหมดนะแล้วก็ศึกษาความแตกต่างกันเมื่อศึกษาความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนท่านก็มาจัดหมวดหมูนะ่มาจัดหมวดหมู่ซึ่งการจัดหมวดหมู่ของท่านก็เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ผู้เรียนและผู้ฟังเพราะว่าผู้ที่เรียนผู้ที่ฟังศึกษาตามที่ท่านแนะนําไปเขาเหล่านั้นก็จะมีความสุขและความเจริญ นะเน่ยศาสนประทานคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนตามเวนัยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะตามสูตรนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่1มีอยู่16สูตรเนี่ยนะมี16สูตรกลุ่มที่2มีอยู่28สูตรนะที่จริง16สูตรกับ28สูตรเนี่ยนะก็เอามาแจกคระเคล้ากันอธิบายกันเองได้แต่ว่าตอนนี้เรียกว่าศึกษาความแตกต่างของแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปก่อน ตอนท้ายจะมาสรุปประมวลรวมกันอย่างในหน้า194ที่กล่าวถึงหัวข้อหัวข้อเนี่ยนะตั้งแต่โลกิยะโลกุตระโลกิยะและโลกุตระสัตตาทิฏฐานธรรมาทิฏฐานและก็สัตตะธรรมาทิฏฐานญานายะและก็ยาณยยะทัศนภาวนาทัศนภาวนาเนี่ยนะสกาวจนะปราวจนะรวมเป็นสกปราวจนะ วิสัชนยียะอวิสัชนียะเป็นวิสัชนียาวิสัชนียะเนี่ยกรรมะวิบากก็รวมกันเป็นกัมมวิบากกุศลอกุศลรวมเป็นกุศลกุศลากุศละเนี่ยนะอนุญญาตะกับปฏิปิปตะบวกรวมกันเป็นอนุญญาตะปฏิคิตะแล้วก็สูตรสุดท้ายก็เป็นทวะเนี่ยนะถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยเขามีอยู่เก้าสูตรเนี่ยนะจริงๆแล้วก็มีอยู่เก้า 9ติกะกติกะทั้ง9ติกะเนี่ยนะเก้าท่าไรเก่ 3, 9, 27, แล้วก็สูตรสุดท้ายทะวะสูตรสูตรว่าด้วยการยกย่องสรรเสริญชมเชยรวมเป็น28สูตรของเราก็เรียนมาได้กี่สูตรละเรียนมาได้21สูตรนะมาขึ้นสูตรที่22หน้า หนึ้อยเอ่อขอสองรยสิบเจ็ดข้อหนึ่งรอยี่สองที่กล่าวถึงกุศลสูตรสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงกุศลที่พระมหากาจัจรยานะยกมาให้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะนะคือเนติปรกรณ์นั้นยกข้อความในพระไตรปิฎกมาให้ดูเป็นอุทาหร r n อุทาหร r n ก็คือตัวอย่างเป็นนิทัศนะพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเนะนี่ยนะท่านเสื่งรายละเอียดจะต้องกลับไปอ่านในพระไตรปิฎกแต่ท่านให้แนวทางให้ ให้แนวทางของการศึกษาเอาไว้ทั้นแนวทางอันนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากเทนะ่ากับเป็นการสรุปพระไตรปิฎกเนี่ยนะแต่คันนี้การสรุปได้มันต้องขยายเป็นเนี่ยนะไม่ใช่จําได้แต่สรุปคือพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าแสดงทั้งโดยย่อและโดยพิสดารแปลเป็นภาษาไทยว่าย่อกับขยายเนี่ยนะก็คือย่อย่อขยายขยายย่องั้นการย่อย่อมาจากอะไรเราต้องขยายได้ถ้าขยายได้ก็ต้องย่อได้เนี่ยนะถ้าย่อขยายได้ เราก็จะเห็นภาพในการเจริญการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพระพุทธพจน์ที่พระองค์แสดงเอาไว้ที่พระหมหากจจยนะยกมาเป็นตัวอย่างถึงกุศลสูตรว่าบุคคลพึงรักษาวาจาสำรวมทางใจไม่ทำอกุศลทางกายพึงชำระ ก, กุศลกรรมบทสามประการเหล่านี้ให้หมดจดจึงจะสา ม, มารถบรรลุมรักมีองค์ปดที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ ข้อความในมัคคุวะคาถาธรรมบทเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าใครที่จะเจริญอริยมตรตผู้ที่จะปฏิบัติให้บรรลุอริยมตรตบุคคลนั้นพึงรักษาวาจาสำรวมใจและไม่ทำชั่วทางกาย น, นะคนที่รักษาวาจาก็คือรักษาวาจาให้ให้คำพูดทุกคำเป็นไปกับสุจริตการความนึกคิดทั้งหลายให้เป็นไปกับสุจริต แล้วก็ไม่ทําความชั่วทางกายก็คือเป็นกายสสจริตรักษาวาจาก็คือคำพูดที่เรียกว่าเป็นการรักษาวาจาจริงอ่ะคำพูดนั้นจะต้องไม่ปนกับว่จีทุจริตไม่ปนกับความชั่วเลยคนที่สำรวมระวังรักษาใจปิดกั้นห้ามบาปไม่ให้เกิดในใจคนนั้นก็ไม่ให้เกิดความโลภความโกรธแล้วก็ความเห็นผิดเกิดขึ้นใน ในใจเนี่ยนะแล้วก็ไม่ทำชั่วทางกายเพรันเป็นกายกรรมที่ไม่ไหลไปสู่ปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจารสรุปว่ารักษาวาจาสำรวมใจไม่ทำความชั่วนี้เรียกว่ารักษากุศลกรรมบทถ้าเรียกตามทวารมีอยู่สามทวารเรียกว่ากรรมบทสากายวาจาและใจถ้าแบ่งประเภทออกมากายมีสาวาจีมีสมโนมีสาม นะกายสุจริตสามวจีสุจเรตสและมโนโ ส, สุจริตสาผู้ที่รักษากุศลกรร ม, ม บ, บท10บประการเหล่านี้ได้อย่างบริบูรณ์เข <c oughs> าพึงเจริญ เ, เ, เขาจึงจะสา ม, มารถบรรลุมรรคได้อริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้ทั้นกุสุจริตทางกายวาจาและใจอ น, นั้นนะนะกายสุจริตวจีสุจริตเป็นอะไรเป็นศีลอนาพิชาอัพยาบาเป็นสมาธิแล้วก็ ส, ส ม, มาธิฐิเป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาก็คือศีลสมถะและวิปัสสนาถ้าอบรมคุณธรรมเหล่านี้ะนะตั้งอุปนิสยัยตั้งอัธยาศัยเพื่อให้อริยมรรคเกิดกุศลเหล่านี้เป็นฐานด้วยเป็นอุปนิสัยด้วยก็เจริญคุณธรรมเหล่านี้จนกว่าจะอริยมรรคจะเกิดขึ้นการที่สามารถสร้างฐานคือสุจริตทางกายวาจา และใจเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตรธรรมเป็นการเจริญคุณธรรมเล็กน้อยเพื่อคุณธรรมชั้นสูงการเจริญกุศ ล, ลธรรมหรือที่เราเรียกกันว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะในชั้นต้นจากไม่มีจากไม่เคยเป็นกุศลทําสภาพให้เป็นกุศลก่อนเนี่ยนะจากที่ไม่เคยเป็นกุศลทำยังไงกุศ ล, ลจิตจริงจะเกิดขึ้น ทนี้แปลสภาพมาเอกว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเล็กน้อยทํายังไงให้มันเกิดได้บ่อยๆขึ้นนะทำยังไงให้มันเกิดได้บ่อยๆไอ้ที่เกิดบ่อยๆนั้นนะจากทําแบบเฉยๆทํายังไงให้เป็นโสมนัสทาแบบเฉยๆทําแบบไม่มีความสุขทํำยังไงที่จะเจริญกุศลได้อย่างมีความสุขทีนี้ไอ้กุศลที่ทําอย่างมีความสุขยังไงจะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอีก เพิ่มเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้นทีนี้เมื่อเพิ่มความเข้าใจแล้วทํำยังไงต่อไปทํายังไงกุศลแต่ละขณะเนี่ยประกอบด้วยการสามหมายถึงว่าก่อนทํากําลังทําก็ทําเสร็จแล้วก็โสมณัต ด, ดีใจก่อนทํากําลังทําทําเสร็จแล้วก็โสมนั ด, ดีใจกุศลแต่ละอย่างนั้นได้รับการวางแผนเพื่อการเจริญอย่างดีตั้งเป้าหมายเป็นการเจริญกุศลแบบเรียกว่ามีแผน เป็นระบบเป็นระเบียบเป็นมีทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยเพิ่มคุณธรรมอย่างนี้ให้เป็นได้บ่อยได้ยาวและได้มากทีนี้เพิ่มคุณภาพจากกุศลเหล่านี้ที่มันเป็นปริตฐะมันมันเล็กน้อยนะถ้าเทียบกับฌานทั้งหลายก็เป็นกุศลธรรมที่ถือว่าเล็กน้อยทํายังไงจะเพิ่มพูนคุณภาพของอนาพิชาอัพยบาศให้เป็นฌานจิตจากคณิกะเป็นอุปจาระจากอุปจาระเป็นอปนาจากปริตฐะเป็นมหคตา จะเรียกว่าจากกามาวจรเป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรเพิ่มคุณภาพอันนี้ขึ้นทีนี้เมื่อเพิ่มคุณภาพจนได้จากกามาวจรเป็นรูปาวจรอรูปาวจรทําอย่างไรจะเป็นฐานให้เข้าถึงโลกุตระธรรมตั้งอุปนิสัยให้ยังไงให้เป็นอัปปามะนะธรรมอัน น, นั้ก็มีการเจริญตามลําดับเหล่านั้นถ้าทําได้อย่างนั้นก็สามารถที่จะบรรลุอรอยิยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์8ได้ แต่ทีนี้อย่างว่าคนที่เจริญได้เนี่ยนะความรู้ความเข้าใจต้องเพียงพอจริงๆนะความรู้ความเข้าใจต้องเพียงพอเพราะว่าในโลกของความรู้สึกนึกคิดของเรานี่มันยิ่งใหญ่มากมันจะมาจัดสรรแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดเราคัดเลือกว่าอันไหนความคิดไหนควรละทิ้งไปความคิดไหนเป็นสาระควรเก็บเอาไว้แล้วความคิดที่เป็นสาระมาเพิ่มพูนพอกพูนพัฒนาได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็อาศัยคําสอนเป็น เป็นแบบแผนเป็นทิศทางทําให้เราเจริญตามนั้นได้ถ้าเจริญตามนั้นได้สุจริตสากายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตที่ประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคได้งนั้นกุศลกรรมบกฏสมที่หมดจดจึงจะบรรลุอริยมรรคได้นะนะไม่ใช่ว่าเออก็ไม่ทําอะไรหรอกไม่พูดอะไรไม่คิดอะไรเลยนั่งอยู่เฉยเฉยเผื่อมรรคมันจะเกิดถ้าอย่างนี้ก็มรรคง่าย อีกสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงกุศลได้ชัดเจนว่าบุคคลใดไม่มีความชั่วทางกายทางวาจาและใจเราเรียกบุคคลผู้สำรวมด้วยเหตุสามประการว่าเป็นพรามคนที่ลอยบาปได้แท้จริงคือไม่มีความชั่วในทางกายเลยไม่มีความชั่วทางวาจาและไม่มีความชั่วทางใจไอคำว่าชั่วในที่นี้แปลว่ามีโทษสิ่งใดที่มีโทษคาว่าชั่วไม่ได้แปลว่าอะไรนะ คนเห็นด้วยไม่ได้แปลว่าคนต้องเห็นด้วยทั้งหมดแต่แปลว่าไม่มีโทษนะแล้วคนนั้น่ะคนที่ทำเนี่ยไม่เดือดร้อนด้วยไม่มีโทษไม่มีโทษปัจจุบันไม่มีโทษในสัมปรายภพไม่ขัดขวางต่อโลกุตระคุณเป็นต้นเนี่ยนะอ่านี่แหละเรียกว่าไม่ทำความชั่วทางกายวาจาและใจไม่แปดเปื้อนไปด้วยบาปทางกายวาจาและใจผู้ที่สํารวมด้วยเหตุสามประการหมายความว่าไม่มีความชั่วกายวาจาใจอยู่เลย เรียกว่าเป็นพรามคือคนที่ลอยบาปเสร็จแล้วการปฏิบัติธรรมคืออะไรถ้าเราตั้งคาถามแบบนี้ว่าไอการปฏิบัติธรรมที่สุดของการปฏิบัติคืออะไรก็คือคัดความชั่วทางกายออกไป <c oughs> ใครที่ขุดความชั่วทางกายออกไปได้เท่าไหร่ก็ถือว่าจเจริญงอกงามในกุศลธรรมเท่านั้นขุดความชั่วทางวาจาออกไปเท่าไหร่กุศลธรรมก็เจริญงอกงามเท่านั้นนะขุดความชั่วทางใจออกไปเท่าไหร่ความจเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมก็มี เท่านั้นเนี่ยนะเขาบอกว่านาทั้งหลายมี่าตเป็นโทษหมูสัตว์ก็มีราคะโทสะและโมหะเป็นโทษราคะโทสะเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดมาเป็นความชั่วทางกายวาจาและใจพันธุ์นั้นขุดสิ่งเหล่านี้ออกไปขุดสิ่งที่มีทุกสิ่งที่มีโทษนั้นใครที่ขุดสิ่งที่มีทุกมีโทษจนกายวาจาใจปราศจากโทษ โดยประการทั้งปวงเ็าเรียกว่าพรามคือผู้ลอยบาปเสร็จแล้วลอยความชั่วทางกายวาจาใจไม่กลับไปทำชั่วทางกายวาจาใจแล้วถามว่าอะไรเป็นตัวตัดเด็ดขาดว่าเลิกทำชั่วทางกายวาจาใจเสร็จแล้วอะไรเป็นเครื่องตัดเขาบอกว่าอริยมรรคที่ชื่อว่าเสตุคาตวิรัตชักสะพานเรียบร้อยแล้วเสตุคาตวิรัตแปลว่าชักสะพานไม่มีทางเชื่อมกันแล้วเชื่อมไปหากันไม่ได้อีก ต่อไปด้วยอนุภาพของอริยมรรคเนี่ ย, ยอีกสูตรหนึ่งที่เป็นกุศลสูตรพระองค์ตรัสว่าภิสูจน์ทั้งหลายกุศลมูลสามประการเหล่านี้สมประการอะไรบ้างอโลภากุศลมูลอโทสะกุศลมูลอโมหะกุศลมูลกุศลมูลสามประการเหล่านี้แลสูตรนี้ก็ชื่อว่ากุศลคําว่ากุศลมูลกุศลมูลมีความหมายว่า รากมูลแปลว่ารากนะรากเง่าแห่งคุณงามความดีรากอ น, นัุศนแปลว่าไม่มีโทษมีวิบากที่น่าปรารถนาเป็นกําไร น, นะไม่มีโทษหรือทำลายสิ่งที่เป็นทุกข์โทษออกไปรากเง่าของสิ่งที่ไม่มีโทษราก์เง่าแห่งคุณงามความดีราก์เง่าแห่งบุญกุศลรากเง่าที่เป็นเหตุแห่งความสุขมีอยู่สามอย่างด้วยกันรากคือความไม่โลภถ้าแปลว่าไม่โลภนี่ฟังแล้วก็ไม่น่าสนใจ แต่คำว่าอะโลพะแปลว่าอะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าปฏิปักษ์แปลว่าฆ่าศึกแปลว่าศัตรูแปลว่าเพชฌฆาตอะโลภาแปลว่าเพชฌฆาตของความโลภศัตรูของความโลภปฏิปักษ์ต่อความโลภสิ่งที่ฆ่าความโลภไม่ใช่บางคนเขาบอกว่าฉันไม่โลภฉันก็นั่งเฉยๆนี่แหละฉันไม่โลภแล้วไม่ใช่ฆ่าศึกของความโลภนะศัตรูของความโลภตัวที่มากําจัดความโลภ เรียกว่าอะโลพอาอะโลพะคือผู้ฆ่าความโลภสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ศัตรูต่อความโลภหาอุบายที่จะกําจัดความโลภโดยประการทั้งหลายนั่นแหละคือเรียกว่าอาโลพะส่วนอะโทสะก็คือศัตรูปฏิปักษ์ฆ่าศึกต่อโทสะฆ่าศึกศัตรูเพชฌฆาตต่อความโกรธดังนั้นคนที่มีอะโทสะเนี่ยนะก็คือคนที่ไม่โกรธ คือคนที่ทำลายความโกรธได้แล้วนั้นลักษณะของอโทสะคือสภาพที่ทำลายความโกรธส่วนอะโมหะก็คือฆ่าศึกศัตรูปฏิปักษ์ต่อความโง่เขลาก็บอกว่าโมหะเปรียบเหมือนความมืดอะโมหะเปรียบเหมือนแสงสว่างแสงสว่างมีที่ใดเพื่อกาจัดความมืดฉันใดอะโมหะเมื่อเกิดขึ้นที่ใดก็กาจัดความโง่เขลาฉันนั้นนะ ปัญกุโลมูลคือการฆ่าความโลภการฆ่าความโกรธการฆ่าความลุ่มหลงรากเงาคือการฆ่าความโลภความโกรธความหลงเรียกว่ากุศลมูนนี้เรียกว่ารากเงาแห่งกุศลกุโลมูลเหล่านี้เนี่ยนะอโลพะอโทสะอโมหะเหล่านี้ถ้าอยู่ในใจใจเหล่าใดที่เป็นไปกับอโลพะอโทสะอโมหะเป็นสมุทฐานอันนั้นเรียกว่ามโนสุจริต เป็นความสุจริตทางใจคําพูดใดที่มีอโลพะอโทสะอโมหะเป็นรากเป็นมูลอนะเปรียบเหมือนว่าคําที่พูดออกมาเป็นเหมือนดอกเหมือนผลรากมูลที่ทําให้วาจาผลออกมาเกิดจากอะโลพะอโทสะอโมหะวาจานั้นเป็นวาจาที่เป็นกุศลเป็นวาจาที่ไม่มีโทษการกระทําใดๆกายการเดินยืนเดินนั่งนอนการขยับตัวทุกประการ ที่มีจิตที่ประกอบด้วยอโลพาอโทสอาโมหะกุศลมูลเป็นสมุทฐานอันนั้นเรียกว่ากายสุจริตเพราะความสุจจริตทั้งหลายความสุจจริตทั้งหลายไม่ใช่แปลว่าไม่ทำแต่แปลว่าเกิดจากการกระทําที่เป็นสุจจริตการกระทําที่เป็นสุจจริตโดยที่มีรากเง่ารากอย่างลึกคื อ, อคา่าศึกต่อความโลภค่าศึกต่อความโกรธและค่าศึกต่อความ ล่มหลงก็เรียกว่ากุศลมูลกุศลมูลกุศลมูลเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เลือกเฟ้นเห็นเห็นสภาพทำที่เอามาเจริญได้เอามาเจริญแล้วสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เรียกว่าร้องเรียกหากุศลจากจิตใจเนี่ยนะขุดจนหาเรียกว่าขุดจนเจอรัตนะที่อยู่ในใจนีนะขุดจนเจอรัตนะ ขุดจนเจอคุณงามความดีที่มีอยู่ในใจแล้วเสริมสร้างคุณงามความดีคือความกำจัดความโลภ ก, กำจัดความโกรธกำจัดความหลงพัฒนาตัวนี้ให้มันมีอานุภาพมีกำลังมากยิ่งขึ้นอโลภคืออะไรถ้าหากว่าเน้นว่าอโลภคืออโลภะเจตสิกแต่คนที่มีอาโลภะดังที่กล่าวไปเนี่ยนะดูไดจากอะไร ดูได้จากสัมมาวายมะดูได้จากสัมมาสติและสัมมาสมาธิเนี่ยนะเพราะว่ารากฐานของอะโลภะทําให้เพิ่มพูนอะเพิ่มพูนสัมมาวายมะเพิ่มพูนสัมมาสติและเพิ่มพูนสัมมาสมาธิอโทสะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพิ่มพูนอะไรเพิ่มพูนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเนี่ยนะส่วนอะโมหกุศลมูลก็เพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิกับ สัมมาสังกัปปะมันค่าใครที่ปลูก ร, กรากรากแห่งคุณงามความดีสามประการเหล่านี้ให้เจริญเติบโตรู้ว่าสร้างรากฐานอันนี้ขึ้นได้กายวาจาใจของเขานำไปสู่ความพ้นทุกโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเพราะกำจัดอ่ากจัดสาเหตุแห่งความทุกข์ได้แล้วกำจัดสาเหตุแห่งความทุกข์คือความโลภความโกรธและความหลงเพราะอโลภอโทส ะ, ะอโมหะเป็นคุณธรรมเพื่อกาจัดความโลภความโกรธและความหลง อีกหนึ่งพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปัญญาเป็นประธานในความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมฮิริโอตปะก็คล้อยตามปัญญานั่นแหละปัญญาเนี่ยนะเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมของคุณงามความดีทางกายวาจาและใจเนี่ยนะปะแปลว่าทั่วปัญญาแปลว่ารู้รู้ทั่วรู้ทั่วรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลรู้ทั้งกรดำดํารู้ทั้งกดำขาวรู้ทั้ง เหตุแห่งความเสื่อมรู้ทั้งเหตุแห่งความเจริญรู้ว่าอะไรมีอุปการะอะไรไม่มีอุปการะทำไหนควรห่างทาไหนควรละทำไหนควรเจริญควรทําให้แจ้งปัญญาทั้งหลายจะจําแนกและแยกแยะเมื่อปัญญาจําแนกแยกแยะได้ก็ทิ้งไปในสิ่งที่มันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเลือกถือเอาแต่เหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็ทิ้งไปไม่ใหญดีอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญก็ถือเอา ทีนี้เมื่อถือเอาความความดีแห่งกุศลธรรมอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะต้องคอยเกียรติกันก็คือความชั่วเพราะรู้ว่าความชั่วเป็นเหตุให้ถึงความเลวร้ายโดยประการทั้งหลายแล้วเอาคุณธรรมอะไรมาป้องกันความชั่วทั้งหลายก็คือเอาฮิริโอตาปะฮิริโอตาปะจึงคล้อยตามปัญญาเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีฮีริโอตาปะ ไม่ละอายใจเลยที่จะต้องไปอะไรนะไม่ละอายใจที่จะทําชั่วไม่ละอายใจต่อตัวเองเลยที่ปล่อยให้โอกาสแห่งคุณงามความดีผ่านไปอันนี้เรียกว่าขาดหิริส่วนผู้ที่มีหิริก็ละอายใจที่จะทําชั่วละอายใจเหลือเกินที่ไม่เพิ่มพูนเหตุแห่งความดีอย่างที่บอกว่าเมื่อมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นความเจริญแล้วเนี่ยถามแล้วเราไม่ทำํำนี่มันละอายใจไหมละอายใจต่อตัวเองว่าทาไมเราไม่ทํา ก็เรารู้อยู่นี้ว่ามันอันนี้มันมีโทษมันเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วทำไมเราไปทํานั้นความละอายใจเ่าเนี้ยมันจึงจะเกิดขึ้นความละอายใจเ่านี้เกิดจากปัญญาที่รู้ดีและรู้ชั่วผู้คนที่มีหิรินั้นคือละอายต่อความชั่วที่ทาที่จะทำหรือที่เคยทํามาแล้วแล้วก็ละอายใจเหลือเกินที่ทำไมไม่ทําดีทำไมไม่สร้าง ไม่สร้างกุศลทําไมปล่อยโอกาสแห่งกุศลเหล่านั้นให้ผ่านไปทําไมไม่เพิ่มพูนกุศลเหล่านั้นหรือว่าเราไม่เคารพตัวเองเรารังเกียจตัวเองหรืออย่างไรเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อตัวเองหรืออย่างไรเพิ่มแต่ทุกเพิ่มติโทษะนั้นฮิรินี่ลักษณะคนที่ตําหนิตัวเองเป็นเนี่ยนะตำหนิตัวเองเป็นแยกแยะเป็นเพราะฮิริทั้งหลายปรารบภายในส่วนโอตปะโอตปะก็ปรารบภายนอกถ้าเราทําความชั่วเนี่ยนะ คนอื่นเขาจะคิดยังไงคนอื่นในที่นี้หมายถึงบัณฑิตทั้งหลายเขาจะคิดยังไงพระพุทธเจ้าคิดอย่างไรเนี่ยนะทศวรรษของพระพุทธเจ้าคิดอย่างไรถ้าเราทําความชั่วอย่างนี้ น, นะฮะโอตะปะก็จะรังเกียจ ต, ต่ อ, อนะรังเกียจว่าในมุมมองของบัณฑิตทั้งหลายในมุมมองของผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าเราทําชั่วเป็นสิ่งที่น่าเกรงกลัวขนาดไหนถ้าเราไม่ทําความดี แล้วเราจะสํานวนว่าถ้าเราไม่ทําบุญเราจะบากหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไม่ทําคุณงามความดีเราจะไปคบกับผู้ที่มีคุณธรรมได้อย่างไรโอตะปะก็ปรารภายนอกล ะ, อะเกรงกลัวเหลือเกินที่เราเกรงกลัวที่จะทําชั่วเกรงกลัวผลแห่งความชั่วเกรงกลัวว่าทําไมเราไม่ทําความดีเพราะถ้าไม่ทําความดีก็รู้แล้วว่าจะไปไหนต่อไป เนี่ยพันธีริโอต ป, ปะนั้นเกิดคล้อยตามปัญญาฮิริปรารบตนฮิริทําให้ไม่เบียดเบียนตนโอต ป, ปะทําให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นฮิริเครารพตนโอตปะก็เครารพผู้อื่นฮิริปราลบอ่ะอาเรียว่าปรารบอัตตาคือภายในโอต ป, ปะปราลบโลกปราลบโลกนั้นก็เป็นคนที่มีฮิริโอต ป, ปะฮิริโอต ป, ปะเป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยสติและ สัมปชัญญะปัญญาโดยเฉพาะสุตะมยะปัญญาที่แจกแจงเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมเป็นต้นปัญญาที่แจกแจงได้อย่างนี้นะเมื่อแจกแจงได้อย่างนี้สุตมยะปัญญาเหล่านี้ถือว่าเป็นเหตุใกลให้เกิดศรัทธาศรัทธานี่แหละเป็นอาหารที่ดีของฮิริโอตตะปะเพราะน์ปัญญาศรัทธาเป็นต้นทําให้หิริโอตตะปะเกิดดีหิริโอตตะปะเหล่านี้ ท่านบอกว่าเป็นเหตุใกล้ของสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะคนนั้นเนื่องจากเป็นคนที่มีฮิริโอต ป, ปะฮิริโอต ป, ปะเป็นเหตุใกล้ของสติสัมปชัญญะฮิริโอต ป, ปะก็เป็นเหตุของศีลทั้นปัญญาเนี่ยนะจึงสําคัญมากนะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเรียงตามปฏิสัมพิธามมักนี่เห็นชัดเลยว่าผู้ที่มีสุตมยะปัญญาฟังฟังมาม า, มากฟังและวแยกแยะอะไรควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งเป็นต้น ฟังจนเข้าใจได้เป็นอย่างดีเมื่อฟังเข้าใจอย่างนี้ก็รู้เลยว่าถ้าเราไม่เจริญอะไรเกิดขึ้นก็มีหิริโอตปะเกิดขึ้นเมื่อมีหิริโอตปะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็จะรักษาศีลผู้ที่รักษาศีลดีจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาญาณผู้ที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือธรรมะทิฏยานเริ่มกําหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเป็นต้นนั่นเอง นั้นปัญญานั้นจึงเป็นประธานเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลทางกายวาจาและใจเป็นเอ่อเป็นมูลของคุณงามความดีปัญญานั้นเป็นเหตุใกล้ของคุณธรรมทั้งปวงเลยนะนั้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเห็นได้ชัดจากความเป็นคนที่มีฮิริและโอตตะ ป, ปะพัน้นฮิริโอตตะ ป, ปะคล้อยตามปัญญาคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีฮิริโอตตะ ป, ปะอ น, นะ ทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยเป็นสูตรที่กล่าวถึงกุศลกุศลโดยศัพท์แปลว่าไม่มีโทษให้สุขเป็นกําไรเกิดจากความฉลาดเกิดจากความฉลาดนไนะแล้วก็กุศลเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบุญแปลว่ายังผลที่น่าบูชาให้เกิดขึ้นกุศลเหล่านี้มาทางกายวาจาและใจเนี่ยนะถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยนะก็คือกุศลละมูลถ้าถ้าพูดแต่ตอนท้ายก็บอกว่า ต อ, ตอนแรกรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผู้ที่รักษากายวาจาใจบริสุทธิ์ได้บรรลุมรรคได้อนนผู้ที่บรรลุมรรคได้เพราะมีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ไม่มีความชั่วเหล่านี้เรียกว่าพรามเรียกว่าพระอรหันต์เอาถามว่าคุณธรรมเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากกุศลมูลกุศลมูลมาจากไหนบอกว่าปัญญาเด่นที่สุดเพราะปัญญาเนี่ยถือว่าคนที่มีปัญญาสามารถที่จะกําจัดความโลภได้คนที่มีปัญญาสามารถกําจัดความโกรธได้กําจัดความ ลุ่มลงได้คนที่มีปัญญาสามารถเพิ่มอริยทรัพย์คือเิเรโอตตะได้ผู้ที่มีปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาได้เพิ่มพูนสุตะเพิ่มพูนจาคะแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะเพิ่มพูนปัญญาได้เพิ่มพูนรากเงาคืออะโลพะอะโทสอาโมหะรากแห่งคุณงามความดีเหล่านี้ได้ก็เพิ่มพูนกายสุจริตวจีสุจริตได้ผู้ผู้ที่เพิ่มพูนเหล่านี้ก็เพิ่มพูนอริยมรักได้ผู้ที่เพิ่มพูนอริยมรักได้ก็เรียกว่า พระอาหารหันต์คือผู้ที่ลอยความชั่วทั้งหลายออกไปได้เบ็ดเสร็จไปแล้วนี่แหละเรียกว่ากุศลคือทำที่ไม่มีโทษซึ่งคําสอนเหล่านี้มีอยู่มากมายในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีอยู่มากมายหลายแห่งพระมหากาจรชนะท่านมาบอกอแยกแยะให้ดูว่าพุทธพจน์เหล่านี้ที่กล่าวในลักษณะนี้เรียกว่ากุศลสูตรเรียกว่ากุศลสูตรนี่มาดูอกุศลม้างอากุศลเกิดจากความโง่ความเขลา อกุศลนี่โดยศัพท์แปลว่าฆ่าศึกศัตรูเพชฌฆาตผู้ฆ่ากุศลนะสิ่งที่ทําลายกุศลเรียกว่าอกุศลอะผู้ฆ่ากุศลผู้ทําลายกุศลผู้ขัดขวางการเจริญกุศลปฏิบักษ์ตอกุศลนั่นแหละเรียกว่าอกุศลมีโทษด้วย ให้ผลที่ไม่น่าปรารถนาด้วยเดือบเบียดเบียนตนด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยเป็นไปเพื่อทําลายประโยชน์โลกนี้ทําลายประโยชน์โลกหน้าทําลายประโยชน์อย่างยิ่งนั้นความเสียหายสารพัดอย่างเกิดจากอากุศลถ้าไม่มีอกุศลความเลวร้ายในโลกนี้ไม่มีนะนะก้อนอกุศลนั้นเป็นะเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วเพราะเป็นสิ่งที่กําจัดกุศลเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าการทําลายคุณงามความดี การทำลายคุณงามความดีนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะการทำลายคุณงามความดีการทำลายกุศลเพราะทําไม่ทํทกทากุศลนั้นไปทาอะไรก็ทาอกุศลถ้าไม่บายหน้าไปสู่สุคติก็แปลว่าบายหน้าไปสู่ทุขติ้ถ้าไม่ไปสุคติอย่างเดียวนี่อะไรจะเกิดขึ้นก็แปลว่ามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแค่นั้นแหละรู้ได้ยังไงว่าผู้ที่ทอาอกุศลนี่ดูจากอะไรพระพุทธพจน์ตรัสว่า ความเป็นผู้ทุศีลอย่างยิ่งย่อมหน่วงเหนียวอัตภาพของบุคคลผู้ทุศีนเนี่ยให้ลงต่ําดุดถาย่านทายที่น่วงเหนียวต้นสาระให้ลม้มลงเขาย่อมทําตนให้พินาศดุดศัตรูผู้ต้องการทําเขาให้พินาศฉะนั้นก็เถาย่านทายเนี่ยนะถาย่านซายเคยเห็นไหมถายย่านซายเป็นยังไงเถาย่ า, า, ยานซายก็คือมันเป็นต้นเถา สมมติว่ามีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่ที่อุบลเนี่ยตอนนี้มันยังเห็นชัดที่อุบลมีอยู่เกาะกลางน้ําอยู่หลายเกาะด้วยกันที่เกาะหนึ่งเนี่ยนะที่ที่อําเภอทรายมูลอำเภอพิบูรณ์มังสาหานบ้านทรายมูลเนี่ยมันจะมีต้นต้นต้นยางต้นใหญ่มากสองคนโอเป็นต้นเนี่ยมันจะมีไอไต้นต้นต้นเรียกว่ากลุ่มเถาย่านซายเนี่ยมันจะเลื้อยขึ้นแล้วมันก็ค่อยรัดแบบงูลามรัดรัดรัดรัดกบรัดเขียดอ่ะนะแบบงูรัดแมวรัดสุนัขอ่ะ มันก็เอื้อมไปเอื้อมไปเอื้อมไปมันก็พันพันพันพันรอบรอบเสร็จแล้วมันก็ไปแพ่กิ่งแผ่ใบเนี่ยปกคลุมต้นหมดทั้งหมดตัวมันเองเป็นต้นที่ไม่มีแก่นนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปเกาะอาศัยไม้แก่นอยู่นะมันก็ไปต่ออาศัยไม้แก่นเพราะในที่สุดมันก็พาต้นไม้ล้มหมดเนี่ยนะถ้ามันเจริญเต็มที่ครับแก่นเหล่านั้นมันก็ต้นไม้ก็ตายแล้วก็ผุผุเสร็จแล้วก็ต้มล้มแผลเสียหายไปหมดเลยชั้นใดก็ดี หรืออีกอุตลย์อย่างหนึ่งก็บอกว่าศัตรูเนี่ยนะศัตรูเนี่ยคนที่เป็นศัตรูคู่เวรกันอย่างคล้ายๆกับพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตหาช่องหาโอกาสที่จะประทุสร้ายพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงเขาเรียกว่าศัตรูฉันใดอา่าหลายๆคนก็ลักษณะเดียวกันคนที่เป็นศัตรูต่อการเป็นคู่เวรต่อกันมุ่งที่จะทําลายอีกฝ่ายหนึ่งให้เสียหายที่สุดเท่าที่จะสร้างความเสียหายได้ ชั้นใดคนที่ทำความชั่วทุศีนความชั่วทางกายและวาจาความชั่วที่ทะลักออกมาทางกายและวาจาความชั่วเหล่านี้เนี่ยนะฉุดเขาเนี่ยให้ลงต่ำเพราะเขาจะเดือดร้อนทั้งชาตินี้เดือดร้อนขณะที่ทำความทุศีนเนี่ยไม่ใช่มีความสุขเลยตอนทำ เดือดร้อนทั้งตอนทําผนแห่งการกระทําเหล่านั้นโดยในรอบปีรอบห ล, หลายสิบปีเป็นต้นความชั่วเหล่านี้ก็แปรสภาพมาให้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองในชาตินี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนรอบข้างสร้างความลําบากให้กับคนไม่ใช่น้อยในที่สุดก็ฉุดตัวของผู้ที่ทุศีนเหล่านั้นไปสู่อบายทุคติวินิบาศนรกสร้างตัวเองให้ตกต่ําไปตลอดเวลาพ้นคนที่ทุศีนอย่างว่า อย่างที่พระองค์ตรัสว่าความทุศีนเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วความทุศีนเหล่านี้เนี่ยนะ